พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าสงใจไปทางอื่นเวลานี้เรามารวมกันเพื่อฝึกกิจนี้ให้สงบไน่ใช่เพื่ออย่างอื่น เราฝึ ก, กจี้ให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดในสัจธรรมคือธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หรือที่พระองค์ทรงบรรลุและพระอาราหันต์ทั้งหลายท่านกบ็บรรลุอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้แหละ จึงสิ้นกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นน่ะเราทุกคนก็เป็นผู้มีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจอยู่ผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาเพราะจึงบ่ายหน้าเข้าสู่พุทธศาสนานี่ ก็มองเห็นว่านอกจากคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีคําสอนใดในโลกที่จะมาระ ง, ง ấp, ับกิเลสทันหาให้หมดสิ้นไปได้ไม่มีชาวพุทธก็มองเห็นอย่างนี้เนี่ยจึงยินดีปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ไปมุ้งอย่างอื่น ให้มุ้งทำอาสวะกิเลสนี่เนี่ยให้เบาบางไปทำไมหมดสิ้นก็ให้มันเบาบางไปต้องให้ตั้งใจตรงอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นทุกข์กับกิเลสนี่มาหลายชาติหลายภพแล้วที่ร่วงแล้วมาที่ท่องเที่ยวมาในสงสารกบ ข, ข้ออำนาจของกิเลสนี่แหละพาดวงจิตดรงเนี้ยท่องเที่ยว บางทีทำบาปกรรมก็ไปตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างบางชาติทำบุญกุศลทำความดีตั้งเจตนาวิละอิรัตละเว้นจากกรรมอันชั่วห้าอยา่างมีปานาธิบาตเป็นต้นตายแล้วก็ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ หมดบุญอยู่ในสวรรค์ลแล้วก็ลงมาเกิดในโลกนี้อีกผู้มีสติผู้มีสัมผัสชัญญาตอยู่ในใจเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ลืมบุญกุศลไม่ลืมคุณพระรัตนาไกลเมื่อมาได้พบพุทธศาสนาเข้าก็ถึงได้มีศรัทธาเลื่อมใส ในบวรพุทธศาสนาอย่างคนไทยเราทั้งชาตินี่เรียก ว, ว่านับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาหลายชั่วบรรพบุรุษแล้วแต่ว่าอินทร์บารมีของคนเรามันอ่อนมันแก่ไม่เหมือนกัน ผู้มีอินทรีย์อ่อนโยก็นับถือพุทธศาสนาไปขั้นต่ำก้าวไปสู่ขั้นสูงไม่ได้แค่กินกินทานทานไปตามประเพนีแม้ขั้นสีนนี้ก็ยากเต็มท้นที่จะได้ไม่ค่อยจะได้นะคนส่วนมากขั้นภาวนายิ่งแล้วใหญ่ เพราะว่ากิเลสมันเป็นมานคอยขัดขวางจิตใจไว้ไม่ให้เกิดฉันทะความพอใจในการไหวพระในการนั่งสมาิภาวนาคนที่มีอินทร์บารมีแก่กล้ามุญบารมีนั่นโดนบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็น เห็นโทษของกิเลสตัณหาอันมันนําดวงกิจนี้ท่องเที่ยวในสงสารดังกล่าวมาแล้วนั้นนะเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้แจ้งอย่างนั้นเราก็เชื่อตามพระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้านั่นแหละถ้ายองมองมาเห็นเรวตนเองก็ดี ตานจริงเน่ยมันมองเห็นได้สำหรับผู้พิจารณานะท ำ, ทำไมจะมองไม่เห็นละ่ะเช่นความโรคความโกรธความหลงอย่างนี้นะลองมองดูจิตใจสิมันมีทุกคนนะทำไมละมันนะเกิดมาแสดงความโรคความโกร ธ, ค ว, กรธความหลงออกมาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยนู่น อย่างนี้แต่มันไม่รู้ตัวเรื่องมันน ะ, ะเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วเมื่อไปได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าคอยังไม่ตื่นตัวยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่นั่นแหละเนี่ยทำไมจะไม่รู้ว่ามันกิเลสมันพายเกิดทุกข์ะอะบางคนน่ะ ไปชอบไปโกงไปหลอกลวงจ่ายเช็คธนาคารเช็คนิ่งหมือนนี้นะเขารู้เข้าเขาฟ้องร้องเอาไปติดคุกติดตาราดในทนทุกข์ทรม า, านอยู่ในคุกในตาราง น, น, นู่นนั่นแหละอำนาจแห่งความโลภมันทำไมจะไม่เห็นแล้ว โลกเอาแดนแดนสวนผู้อื่นหมูนี่ก็เหมือนกันแดนบ้านหมนี่พอได้อันใดของผู้อื่นเอาอนั้นคนขี้โลภนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ก่อให้เกิดทุกข์ในภายหลังเนี่ยคนขี้โกรธก็เหมือนกันโกรธมาแล้วไม่ยับยั้ง ก่าว่าจะหยาบคายต่อผู้อื่นด่าแช่งถ้าเขาค้องก็ผิดกฎหมายไปด่าเขาอ่ะน่นียถ้าไม่ติดตารางก็ถูกปรับเสียเงินเสียทองถ้าไปลงไม้ลงมือทุบตีผู้อื่นให้เลือดตกยางออกก็ติดตารางนะ นนะแต่ไปทำร้ายผู้อื่นให้ตายลงบางทีก็ตัดสินประหารชีวิตบางทีก็ตัดสินติดคุกตลอดชีวิตโทษแห่งความโกรธมันก็เห็นได้ชัดๆอย่างนั้นนะแต่คนเรามานันไม่พิจารณาแม้ตัวเองทำความเสียหายแก่ตนเองอยู่ อย่างไรมันก็ยังมองไม่เห็นโทษอยู่มันก็ยังโกรธอยู่นั้นแหละไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ไปนรกหรอกคนเรานะถ้ารู้ว่าความโกรธมันไม่ดีและอย่างนี้ก็ไม่ส่งเสริมมันมันทำท่าจะเกิดขึ้นก็กำหนดละมันไปเรื่อยๆไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่น ก็ไม่ได้ติดคุกติดตารางและไม่ละโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องไปสู่นรกอวัยภูมิก็อย่างนี้แหละโทษแห่งความโกรธเห็นได้ชัดๆเลยว่ายังต่ําลงมาก็เป็นเอตเทะเลาะวิวาสกันมองหน้ากันไม่สนิทแล้ววันนี้เมื่อทะเลวิวาทกันแล้วนะ เวียนเสียแต่ฝ่ายหนึ่งนั้นเห็นโทษของตัวเองแล้วไปขอโทษอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าตนเป็นผู้ผิดแล้วขอโทษเขาเอา น, นั่นแหละถึงจะ ญ, ญาติดีกันได้ต่อไปถ้าไม่ยอมขอโทษแล้วก็ไม่มีทางแหละที่จะได้ ญ, ญาติดีกันเนะนี่ยโทษแห่งความโกรธเป็นไงแตกจากมิจฉจากญาติจากสหาย แต่จากเพื่อนพุ้งไปถ้าเป็นผัวเป็นเมียรกระยาร้างกันไปอะไรหมู่นี้มันก็โทษแห่งความโกรธนี่ทั้งนั้นเลยแต่มนุษย์เรามันทำไ้พิจารณาเท่านั้นแหละถ้าผูใ้ใดพิจารณาขนาที่โกรธอยู่นั้นหรือว่าหลังจากโกรธไปแล้วกว็ดี เอาไปคิดไปตรองพิจารณาก็เห็นโทษของมันเน่ผู้นั้นก็มีหวังที่จะละความกูดนั่นได้ต่อไปจะค้นจากโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าการฟังธรรมการแสดงธรรมผู้แสดงก็มุ่งหวังให้ผู้ฟังเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้ว ไม่ใช่ฟังตามโมเพณีเฉยๆไม่ใช่แสดงคำตามโมเพณีเฉยๆเจตนาของผู้แสดงก็มุ่งหวังว่าผู้ฟังให้ผู้ฟังนั่นในรู้จริงรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นนั่นแหละทั้งทำที่ควรรู้ควรเห็นกับทำที่เป็นไฟ อกุศลบ้างทำที่เป็นฝ่ายกุศลบ้างทำที่เป็นฝ่ายกุศลมีทั้งโลกียธรรมและโลกุตระธรรมทำที่เป็นฝ่ายอากุศลมันก็มีทา ง, ท, างทั้งที่ทางที่เป็นครุกรรมกรรมหนักเป็นละหุกรรมกรรมอันเบาจําแนกออกอย่างนั้นนี่ กรรมมันเบานี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้ใดรู้ตัวเห็นโทษเข้ามาแล้วกาหนดละมันเสียแล้วทำความดีให้สูงขึ้นไปมันก็เป็นเอาหัวสิกรรมไปได้ไม่ติดตามไปสนองแต่ถ้าถ้าครุกรรมกรรมมันหนะักเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอระหรัน ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโอหิตในห อ, อกขึ้นไปทำสง์ให้แตกจากกันกรรม้าอย่างนี้เป็นครุกรรมเป็นกรรม อ, อันหนักผู้ใดได้ทำลงไปแล้วไม่มีทางแก้ตัวในชาตินี้นะแก้ตัวไม่ตกเลยจะทำความดีอย่างไรอย่างไรก็ไม่พ้นจากอเวจีมหานรก นั่นแหลผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วระวังตัวให้ดีอย่าไปรู้อำนาจแก่ความโกรธอย่างรุนแรงผู้ที่รู้อำนาจแก่ความโกรธอย่างรุนแรงพ่อแม่ของตนแท้ยังฆ่าได้มีอยู่ทมไปในโลกเนี้ยเนี่ยโทษหในความโกรธเป็นอย่างนี้มันมโกรธมากๆเข้าไปอะมันทําไม ทำร้ายผู้บังเกิดเก้าของขตัวเองได้แท้เลยตายแล้วก็เปเมื่อยอยู่ในอเวจีมานรกนุ่นแล้วมันมีประโยชน์อะไรละ่ะมีแต่โทษมีแต่ทุกข์กับพี่นะให้เห็นโทษแห่งความโกรธเหล่านี้เลยผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่าไปเมินเฉยอย่าไปนึกว่าความโกรธนี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เราไม่คิด หเห็นโทษของมันไม่คิดละมันนั่นแหละมันจะพาไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิดังกล่าวมาแล้วนั่นเอ่ความหลงอย่างนี่มันก็เป็นโทษหนักโทษหนาผู้นับถือพระพุทธศาสนาต้องพิจารณาให้เห็นโทษจริงจัง คขามาหลงนะ็หมายความว่าไม่รู้จริงนั่นเองเลยรู้ผิดผิดถูกถูกไปนี่นะรู้ดีก็รู้ไปตื้นตื้นไปอย่างนั้นแหละไม่รู้ลึกขึ้งอะไระรู้ชั่วก็เหมือนกันนะรู้ไม่จริงไม่จังมันก็เลยละความชั่วไม่ได้รู้ความดีก็รู้ไม่จริงไม่จังมันก็ทำความดีให้เจริญไม่ได้ นี่ความหลงมันมีลักษณะอย่างนี้ถ้าว่าตามหลักทำแล้วหมายความว่าหลงไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกไม่รู้จักความดับทุกไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยไม่รู้ทำของจริงสีอย่างนี้ทันเรียกว่าหลง ไม่รู้จักทุกก็หมายความว่าไม่รู้จักชาติความเกิดว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรไม่คิดไม่อ่านเลยตัวเกิดมาแล้วก็เสวยผลแห่งกรรมไม่บากตัวที่ตัวทำมาแต่ก่อนเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารนี่อยู่อย่างเนี้ยไม่รู้ว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์อย่างไรไม่คิดเลย แล้วก็ไม่เบื่อไม่น่ายมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันพยายามกาจัดความหลงอันนี้ออกจากกิจใจให้ได้โดยมาพิจารณาชาติความเกิดนี้ให้เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆ ไม่เป็นทุกอย่างไงเกิดมามีรูปมีนามมันนี้มาแล้วต้องหาเลี้ยงตัวเองแสนยากแสนลำบากบุคคลจะทาบาปกรรมอันใดใส่ตัวเองก็เพราะหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง <c oughs> หาเลี้ยงอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่อันนี้แหละให้คิดดูให้ดี ไม่ใช่ทาบาปเพื่ออย่างอื่นนะอืะเว้นเสียแต่ผู้รู้ผู้ฉลาดไม่รู้อํานาจเกตันหาแล้วเพื่อนก็หามาเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี่ในทางสุจริตไม่ผิดศิลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองถึงแม้จะเลี้ยงมันยังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืน ผู้มีปัญญาท่านมองเห็นอย่างนี้จะหาอาหารดีๆยังไงมาเลี้ยงมันมันก็หาได้ยั่งยืนไหมถ้าหากว่าอาศัยอาหารอันประนีตบรรจงมารับประทานแล้วอายุมันยืนยาวนานไปอย่างนี้นี่ก็จะไม่มีคนตายแล้ว พอพวกมั่งมีเงินทองเข้าของมากมายเน่ยรู้วนจะ ก, กินดีๆทั้งนั้นเลยอาหารดีๆมากินกันอยู่นั่นเป็นประจำแต่แล้วก็ไม่เห็นมีอายุยืนเท่าไหร่นี้ไม่ถึงร้อยปีสักคนถ้ามาถึงก็น้อยที่สุดในปัจจุบันเนี้ยทั้งคนจนทั้งคนรวยมันก็ไปตามอายุไขนั่นเอง ไม่ใช่ว่ามันจะอาศัยความรวยแล้วมีอายุต่ออายุให้ยืนยาวนานไปได้หรือไม่ใช่เพราะว่าชีวิตอาถภาพร่างกายนี่มันอาศัยบุญเก่าที่ทำมาในชาติก่อนนั้นมาอุปถัมภ์บำรุงตกแต่งให้แล้วก็อุปถัมภ์บำรุงไปยังไม่ให้แตกตายทำลายขันไปก่อน ในเมื่ออายุแห่งบุญกุศลนั้นยังอยู่ฉันพอหมดบุญเก่านั้นลงเมื่อใดแล้วร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้แม่บุคคล น, นั้นจะทำบุญใหม่ในปัจจุบันนี้มากมายเท่าไหร่บุญใหม่นี้ก็ช่วยต่ออายุไปไม่ได้เลยถ้าบุญใหม่นี่มันต่ออายุให้ได้คนไทยเราก็อายุยืนนะสิ เขาทำบุญกันมากมายแต่ละคนผู้มีศรัทธาแล้วบางคนหมดเกินเป็นแสนเป็นล้านก็มีแต่แล้วอายุก็ไม่ยืนนั่นแหละเป็นเครื่องสอดแสดงให้เห็นแล้วว่าบุญใหม่นี่ไม่สามารถจะต่อายุให้ได้เมื่อหมดบุญเก่าแล้วก็ต้องแตกดับทำลายไปร่างกายอันนี้นะ แล้วบุญใหม่นี้มันก็ให้ผลในปัจจุบันนี้คือว่าให้มีจิตใจสบายเบิกบานผ่องใสอันนี้ผลบุญที่มันให้ในปัจจุบันแต่ว่าบางรายก็บุญใหม่นี้ให้ผลในปัจจุบันก็มีแต่มีน้อยเต็มทีแต่ให้ผลเพียงแค่ร่ํารวยเท่านั้นนะไม่สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปได้ เราต้องเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดนึ่ว่าตอนทาบุญทาทานแล้วอายุ ย, ยืนยาวนานถ้าลงว่าอายุไม่ยืนเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปบ่อยๆแล้วก็ลงไม่เชื่อบุญว่าบุญนี่ที่ทําไปนี่มันคงไม่ให้ผลอะไรหรอกเพราะว่าทําบุญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บยิ่งป่วย บางคนก็อาจเห็นไปอ น, นั่นก็ได้นี่แล้วก็หยุดทาบุญต่อไปซะนั่นเข้าใจผิดไปเพราะการเจ็บป่วยมันก็อาศัยเหตุสองอย่างคืออาศัยบาปกรรมที่ตนนำมาแต่าตกก่อนมันตามมาให้ผลนี่ประเภทหนึง่งนี่อาศัย ดินผ้าอากาศเปลี่ยนแปลงแปรผันไปร่างกายนี่เปลี่ยนไปตามอากาศไม่ทันมั่นก็เลยเจ็บไข้ลงไปบางทีก็เกิดจากความไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารบริโภคอาหารเกินขอบเขตหรือว่าอาหารใดมันแสลงกับธาตุก็ไม่ระวังอาศัยความอยากเป็นประมาณ กินเอาซะจังมากๆเข้าไปมันก็ไปทำให้เกิดท้องอืดท้องเพ้อปวดท้องทำให้ท้องเสียไปสุขภาพเสื่อมโทรมลงหมนี่คนไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารให้พิจารณานี่แหละที่ที่โรคภัยไข้เจ็บ มันเกิดขึ้นในกายของคนเรานะมันมีอยู่สองประการอย่างนี้ให้พึงเข้าใจกรมถ้ากรรมเวรวลหลังตามมาสนองแล้วรักษาอย่างไรมันก็ไม่หายถ้ารักษาอย่างไรไม่หายแล้วก็อย่าไปโทษอย่างอื่นออโทษตัวเองแต่ชาติก่อนตนทํากรรมชั่วมาตนเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน ทำลายร่างผ่านชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่ไม่ใช่ใครมาทำให้ตนตนทำให้ตนเองตนก็ต้องเสวยผลแห่งกรรมนั้นเองสอนตนลงไปอย่างนี้แล้วก็อดกั้นทนทานเสวยว่ากกรรมนั่นไปไม่ต้องเดือดร้อนใจไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ ยึดเอาบุญกุศลความดีที่ตนทำในปัจจุบันให้เป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ของใจเพื่อให้ได้ออดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากผลแห่งกรรมชั่วนั้นถ้าผูใ้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วทำจิตใจปรับปรุงจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลคุณงามความดีที่ตนทำในปัจจุบันเนี่ย ได้วาทิฐานใจแล้วเว้นจากกรรมชั่วต่างๆเรจะไม่ทํามันอีกต่อไปอย่างนี้นะนี่หนทางที่จะทําให้กรรมเวรอ น, นั้นมันเบาบางลงเรามาปรับปรุงจิตใจให้มันดีตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลเข้าไปจเจริญปัญญาให้สูงขึ้นไปอธิษฐานใจถึงบุญบารมีของตนที่ได้บําเพ็ญมาเป็นอารมณ์ อย่างนี้มันทําให้กรรมเวรที่มันสนองอยู่นั้นเบาบางลงได้เหมือนกันแหละทําให้กรรมเวรนั้นมันหมดลงเร็วถ้ามันใกล้จะหมดแล้วมันก็มันอ่อนกําลังลงแล้วสู้ความดีที่ตนทําในใจไม่ได้มันก็ระงับไปอาโหสิกรรมไปไม่ถึงกับว่าสนองไปจนล้มจนตายก็มีนี่วิธี ทำให้กรรมเวรมันเบาบางลงน่ะมีแต่กระทำภายในใจิตใจนี่นะแล้วก็ทำบุญทำทานอย่างอื่นบ้างอืแต่ถ้ากรรมเวรมันมีกำลังกล้าอยู่กำลังให้ผลอยู่เนี่ยาจะทำอย่างไรอย่างไรมันก็ยังเบาบางลงไม่ได้ต่อเมื่อมันให้ผลนานไปมันอ่อนกำลังลง แล้วอย่างนี้เนะี่ยนั่นแหละเราที่ฐานใจลงไปทำความดีอะไรลงไปข้าวท่า บ, บุญกุศลความดีนั่นมันมีกำลังกล้าขึ้นมากขึ้นมันก็ทำให้บาปกรรมที่มันอ่อนกำลังลงแล้วนั่นรนะะงับไปได้เหมือนกันขอให้เข้าใจมันถูกต้องพูดถึง ชาติความเกิดอันนี้นะความแก่ความเจ็บป่วยไข้มันโดยอาศัยเหตุสองประการดังกล่าวมานั่นพิจารณาให้มันเข้าใจถ้าความเจ็บป่วยอันใดที่ไม่ใช่กรรมเวนุนหลังธรรมมาสนองเกิดจากลินฟ้าอากาศอย่างนี้เมื่อหมอตรวจแล้ววางยาถูกต้องแล้วมันก็หายได้ ไม่ต้องไปอ้อนว อ, อนผีสางนางไม่ไม่ต้องไปสะดกเคาะอะไรแล้วมันก็หายห ม, มายคําว่าโรคภัยที่เกิดจากดินฟ้าอากาศเปล่ปวนนี่นะหมอวางยาถูกแล้วหายได้ไม่ไม่ใช่เป็นกับเคาะเข็นเอ็นต้องผีสางนางไม่อะไรเลยต้องเข้าใจมันถูกต้องอย่างนี้ จึงเรียกว่าผู้เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นทุกข์นี่เพราะเมื่อมันเจ็บมันวิบัติแปรปรวนมาแล้วเราจะบังคับมันยังไรให้เป็นไปตามใจหวังมันก็เป็นไปไม่ได้ยี่ได้ทำความรู้เท่าเท่านั้นแหละความทุกข์เนี่ยเหล่านี้นะอย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับมัน <c oughs> อย่า <c oughs> อย่าไปโกรธให้มันบางคนก็โกรธให้ตัวเองอยากตายเร็วๆเวสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าไปแล้วนะ่ะโอ๊ยมานานตายแทนน้เนาะพะวะอย่างนี้นะนั่นเดีย ว, ว่าโกรธให้ตัวเองก็เป็นกรรมเป็นเวรเหมือนกัน บางคนก็ฆ่าตัวตายนานตายหลายอ่ะนั่นแหละมันยิ่งเป็นกรรมเป็นเวรใหญ่เลยเกิดไปชาติหน้าก็ถึงเวลานั้นมาแล้วก็ฆ่าตัวเองตายอยู่อย่างนั้นไปถึงห้าร้อยชาตินกมจะหมดกรรมหมดเวรที่ฆ่าตัวเองนั่นนี่พูดตามตำราเนะี่ยมันเป็นอย่างั้นเพราะฉะนั้นแม่มันจะทุกข์ยังไง เกิทุกเวทนาอย่งไรในร่างกายอันนี้ก็อดเอาทนเอาแต่อย่าให้มันทุกข์ใจทําความรู้เท่า่าเมื่อขันห่านี่มีอยู่ตราบใดทุกนี่ก็มีอยู่ตับนั้นทางที่จใจทุกข์เหล่านี้ดับต้องละตำหาในหัวใจเมื่อล่าความอยากในหัวใจได้แล้วความทุกข์ใจก็ดับไปบัดนี้มันก็ไม่เกิดอีกแล้ว ถ้ามันดับไปโดยเด็ดขาดจริงๆนะเมื่อมันไม่เกิดมีขันธ์หน้าขึ้นมาอีกมันก็ไม่มีทุกข์ล้วในจิตใจนี่นะออท่าน เ, เรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานนี่เรียกว่ารู้จักทางดับทุกข์นะดับความอยากในหัวใจเนี่ยนะไปเรื่อยๆรู้จักว่าข้อปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆ ไม่ไม่มองเห็นทางอื่นข้อปฏิบัติอย่างอื่นจะเป็นไปเพื่อดับทุกขหรือดับเหตุแห่งทุกนี่ได้ไม่มีเลยทานเป็นเครื่องดับความโลภความตนี่หวงเห็นอันมันเป็นเหตุให้เกิดทุกขต่างๆนั่นศิลเป็นเครื่อง